ถึงวันศีลวันพระวันรับเอาไว้นันนะถ้าไม่รับไม่ทำพิธีเดี๋ยวก็ทาง <c oughs> หน่วยงานใหญ่ๆ ห, หน่วยงานพระธรรมทูตในเมืองไทยก็จะหาว่าพระไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่างประเทศไม่ให้ศีลให้พรไม่ให้วันศีลวันพระไม่มีพิธีกรรมจิตกรรมก็จะว่าได้ที อีกประการหนึ่งเพื่อไม่ให้พระสงฆ์ได้ลืมวันศีลวันพระบางทีถามวันศีลวันพระก็ไม่รู้จักโยมก็ไม่รู้จักกันด้วยว่าวันนี้วันอะไรเพราะไม่ได้เคยจดจำไม่ได้ทําพิธีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาก็าไม่ควรที่จะลืมรับอีกก็ไม่เป็นไรคนอยู่ประจํารับอีกก็ไม่เป็นไร่ถึงจะวันศีลวันพระเราก็ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติรำ ไม่หลงไม่ลืมส่วนมากคนเราจะไม่สนอกสนใจเพราะไม่เข้าใจหลักคาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าหาศีลหาธรรมมาสอนสัตว์โลกมาสอนคนเลยไม่สนใจภาคปฏิบัติฉันไม่มีบบนฉันทาไม่ได้ฉันไม่เข้าวัดฉันยุ่งนั่นหาที่ไหนได้กว่าจะมาพบจุดนี้หาดิตจะซับภายในมาสอนสัตว์โลก เือให้ปฏิบัติตามคำสอนของผู้เจ้ามัต้องมาเกิดแก่เก็บตายไม่ต้องมาวุ่นวายหรือไม่เชื่อจุดนี้แต่เชื่อทําไมเรทําไม่ ไ, ได้ทําไม่ได้หรอเวลาเล่นว่าหัวหาอยู่ห้าง ก, กินมันยังค่ําขึ้นอยู่เรื่องกิเลส ท, ทำไมทําได้ของสะกะปรกของบูดของเน่าหาแต่งดีแทะหาอยู่ให้กินดีแทะนั่นเพราะไม่ปฏิบัติทําก็ไม่เข้าใจว่าอาหารใจรักษาใจมันเป็นยังไง ใจมันเป็นยังไงไม่ดูไม่เห็นไม่รู้เห็นตะกายก้อนสกรปรกนี่อยากร่ำรวยอยากสวยอยากงามร่ำรวยม า, มาแตง่งแต่งเท่าไหร่ก็บูดก็เน่าเหมือนเดิมมันหาอะไรมาแตง่งไม่น่าดูหรอกทุกวันนียถ้าเอาธรรมะ ม, มาดูหรอกถ้าเทียบแล้วคน้รยเป็นบ้ายังไม่ตายก็เป็นบ้าแล้วนะคนดีๆไปแตง่งใหม่เล็บดีๆไปแต่งใหม่ ฟันดีๆไปแต่งใหม่ผมดีๆไปแต่งใหม่เมื่อหนังบางสังดีๆไปแต่งใหม่ไปๆมาๆนําโรกไผ่ไผ่เจ็บมาสู่ตนเอง <c oughs> ่หาเพง่นเพงนู่นเพ่งนี้แหละที <c oughs> ่เมื่อเวลาไม่เชื่อผู้เจ้าผลสุดท้ายการทําบุญอย่า ไ, ไม่เข้าใจไปวัดไปทําบุญ <c oughs> นั่งเราลงเข้าลงบอกเราพากันทําทุกวันทุกวันหรืออยู่ผู้อยู่ประจําก็ทําทุกวันทุกวัน บุญญาณนี้ปราโลกัตมิง่งไปสู่พบหน้าโลกร่าก็เพราะบุญพาไปถ้าใจไม่มีบุญนรกพาไป่พระโลกพาไปไปหรอกคุณจะพาลกผักดันล ง, อ, งเอเวกีนนั่นแหละนะโอ้ยเจ้าเที่ยวไป น, นรกมันอยู่ต่ำก็ใจของคนมันต่ำวันในอกนรกในใจในี่เข้าใจไหมเดือดลับมันเราก็รีบเร่งเอ้า กลัวจะได้มาเจอจุดนี้ตายวันไหนก็ช่างตายเช่าเผาเย็นตายอยู่ในการปฏิบัติธรรมไม่ต้องมาเกิดแก่อีกเก็บอีกตายอีกแล้วต้องเชื่อจุดนี้นะถ้าเชื่อจุดนี้รีบทําเอานะไม่ต้องไปถามใครถามใจเราเกิดหรือไม่เกิดรู้อยู่แก่ใจนี่ให้ดูว่าใจมันเกิดหรือไม่เกิดจุดนี้แหละไม่ต้องว่าหถึงพบนู่นพบนี้ไม่ต้องว่าหเห็นสวรรค์นิพพานหรือ ย, ยัง ไม่ต้องไปเหาะดูเหาะดูที่ใจเลยล่ะนิพานหนีจากคนพานเข้าใจไหมถ้าไปอาไปมากมันเป็นมาแปลคําว่านิพานถนัดได้กี่เล่มหัวสมุดก็ไม่พอหรอกถ้าพูทธีปัญญาพิจารณาให้แตกฐานต่อไปหนีพานนิพานนิพานฉุกหนีจากพาานหนีจากกิเลสมันพานิชย์ในหัวใจพานภายในพาณพชย์ภายนอกอีก นั่นเป็นแม่เราครบคนผ่านพาไปหาผิดครบบัณฑิตพาไปหาผลไม่คบอย่างไรมันเกิดมาอยู่ในโลกมันเป็นเยอะแยะอยู่แล้วเจอเราก็ดูก็รูก็เห็นก็เบื่อโอ้ยก็เบื่อแต่เราค่อนให้มันเบื่อจริงๆอยาให้มันเจะพูดเฉยๆให้ใจมันเบื่อจริงๆนี่ไม่ต้องมากนั่นอีกแล้วถ้ามันเกิดมาอย่างนี้มันต้องเจอมัดมดเกิหมดทุกเรื่องทุกอย่างน ฟ, ฟังชื่อไหมล่ะไม่งั้นทำไมมีภูมิของคนคนและเข้าใจไหมเอาขวดมาตั้งไว้เอาน้ำเหล้าก็ว่าคนเหล้าขันมาใส่แคนไปคนมานนขันเหล้าขันที่ขโมยขันที่บาปขันมาละลบขันบุญ <c oughs> บุญอะไรกบุญอาหารใจ่จาทํากันทากั น, ท, กนทุกวันทุกวั น, วนไม่ให้ทิ้ง ดูให้เป็นแนวทางของการทําบุญว่ามันมีความสุขไหมถามขยายเข้าไปที่ดูลมเข้าลงบอกบุญอยู่ที่ลมอนาปานุสตินั่นแหละไม่ต้องไปดูอย่างเอื่นทองเงี้ยท่าน อ, อย่างเอื่นบางคนไม่เข้าใจวัดทิพย์นันพระเอาดอกไม้ทูกเทียนไปวัดดอกไม้ก็นิ้วมือไปวัดไปวัดเอาไปทําไมของข้า ง, งนอกเอาตัวของเราไปไปกาไปปนมมือ เป็นดอกบัวงามๆอาบ้วกอาวคัมบูชาหลังจากนั้นก็เข้าสมาธิทำบุญเลยหลักจากนั้นนะไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรละเรื่องพูดคุยกันหนีจากกันไปแล้วก็เข้าไปอีกเข้าสมาธิอีกนะเอาไรเอาะไรที่ไหนได้หาหาที่ไหนได้นะจะไม่เจอจากนี้ ทำสมาธิเพื่อซักฟอกจิตใจไม่ให้ไปเกิดแฉ่เก็บตายนะทำให้ซักฟอกตรงนี้มันก็เที่ยวเกิดเด้อยากร่ำรวยอยากสวยงามอยากร้อนอยากนี่เต็มหัวใจอยู่นี่ต่างอยากถ้ามันเกิดความอยากเกิดมาก็ปรุงไปแต่งนมันก็ปรุงแต่งไปไม่สิ้นสุดเลดอะไรอะไรเยอ ะ, ะแยะไปหมดนะอยากความอยากคำเดียวแค่นั้น่ะ ปรุงมันแต่งมันหาวิธีอะไรอะไรเอมันไม่สิ้นสุดจะโลกคนนี้ขาวอยู่ประจำกี่คอน่ะด้เดอวปวดไงไปทางใดตักเอาเองคนตักให้อาหารคนตักให้ ใอ้คนตักให้จะไปเจียดเนโยมขอให้หน่อยบุญน่อยทั้งเลยกินปัตายเราขันนามไ้หลายพะสันทพบางองค์ก็เก็เมื่อถันตหนึ่งก็รตรายทั่วไหลายมือมาแล้วนั่นะวิธีหาทรมานใจแต่เอาตามใจชอบมันเป็นอีกแนวหนึ่งเลยการเก็บจิเลตอ่ะมันเป็นขวงจิเลตอยู่ในเึง ก, ก, ก, กันได้ขวงขงวงสมาธิจุร่ง ก, ก, ก, กันได้ตัวตัวเนี้ย ต, ตัวทิฏฐิมานะตัวเนี้ าการทำลายหรือว่าเหตุทำตามใจชอบยินดีกับของได้พอใจกับของมีกู้เท่าทัานแช่ น, นี้สิเอาเองตามใจชอบเียบั้ออันนั้นถึกธาตุอันนี้บัถือธาตุอันนั้นถือเก็ดอันนบอกกเลอ็ ก, กูหาเรื่องไปแล้ว <c oughs> นั่นเราได้ขาดน่ใส่ขาดบัอเห็นสิ่งกนบัดปนา ง, งมดุดมาู้เขา ว่าจะยุงยากลายก็เอาความทีกับพลาแล้วอาจารย์กับไ่ต้องใส่ใสอีกแล้วผู้ได้เฉียดพูด่งกระปาอีกแล้วเอาเพราะฉันพลาแล้วนี่จะให้เรื่องมันเรียบฉันว่าจกเรื่องกิเลสหลายว่าที่ไปใส่ก็จะถากกิเลสไปใส่ก็จะถากกิเลสดีกว่าไปส่งเสริมกิเลสว่าใส่ให้น้อยเขาใส่ให้น้อยใส่เป็นเนีมันพอแล้วผู้นึงหยักถากกิเลสผู้นึ่งหยักเสริมกิเลส ที่ทำเอาละที่แป๊บเดียวก็หมดไปแล้วตะควันครึ่งพรรษาแล้ววะตะควันไปไปรไปง่ายนะปับป๊บเพราะฉะนั้นพระได้เร่งงานได้ทันงานกับถีนพระเ็นว่าพ <c oughs> ระจะมาจะมีอุปกรณ์เยวท่านทำวัดขายอยู่ <c oughs> ลุน้องไปทำงานโยมจะมาด้วยไปทำงานว่าท้างสร้างวัดในพระ จะมากราบปันนี้ให้ประบบ้างว่าไม่ของท่านเยอะแยะเหลือเยอ ะ, ย ะ, ยะ <c oughs> จะมากราะเดี๋ยวนี้ไดประลบอยู่บ้างแหละอาารเหลือเศษเหลือเดมก็อมาช่วยอาดสงบทน่นยังไม่ทําให้มันเสร็จเลยก็เพื่อหาศรัทธามาช่วยเราไม่อยาก ให้จ่ายสดสด ร, รันรอ น, น, นหรือสวยงามๆเอาตามมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาทมให้เอาเก็บของเมียนของเอาของเศษของเลนเดนมันมีอันนี้สงมากนั่นของมีราคาแพงไม่มีอะไรสงหรอกนะทับสกุลของคนทิ้งแล้วเอามาใช่ปะก็ไปปะะบงจีวันถึงพระมหากรปะพระมหากัาปะใส่ห้ารอยชั้น ตาแล้วตาอีกอุ่นๆตัวนี่เหมือนกันนะของทางนอกเอียงเอ็มก็เหมือนกันนะปะเข้าไปก็ทําเสร็จเดียวแล้วเดีดก็พมไปปวกข้อปอีก็ดีแล้วนะว่ายังไงเดี๋ยก็ไปจ่ายเท่านั้นทันทีนี่ก็เป็นนี่เราเด้เมื่อวานไปไม่พอได้สามรอยมาพอแล้วจ้ะค่ะดได้มาพอแล้วเมื่อวานนี่ก็ไปที่รอดนดอร์ ข, ข้ามมะลิแล้วก็ น้องเนทแล้วเพื่อนๆเยอะแล้วไม่ชีให้มาร้อยห้าสิบมชีจากเมืองไทยด้วยกันอย่างนั้นจะไปหาเปิดบัญชีบัญชีจะไปหาเปิดเปิดบัญชีบัญชีของบัญชีมันของบัญชีต่างหากแล้วเราหาศรัทธาใหม่ถ้าเราไม่หาทําควดขวยทําขนแขวยทําแล้วก็ไม่ได้ทําอีกแหละคนท่านทําแล้วทําแล้วทําแล้วนะแล้วเราทํานือยังอ่ะถ้ามันมาแล้วก็มีอีกเราเสียแต่ละทานทิ้งไม่ได้ดิ ถ้ายอย่าไม่อ ย, อยากจะทานก็นเข้าไปเสีไม่ได้บ่นว่าหรอกไม่ได้บ่นว่าก็พวกที่ไม่มีหรอกบ่นว่าก็พวกที่มันมีอยากให้เอามีออกอันพ่อแม่กูว่าอาจารย์ตะปูบเบ็ดแด้าเบ็ดอีกเบ็ดเด้าเบ็ดอีกคุณตัวตอันอาจารยของเก่าๆนะที่ว่าเจ็บสิ่งเก็บของเหมือนสิ่งเหมือนของไม่หาเสือไม่เสือหม่มันนิสัยแบบรู้หลาปุ่มเพื่ เราขยาแัแต่ละมือแต่ละมือฝุ่นด้วยเสร็จขยับจะไปข้อใหม่ฟังห้าวฝังในก๊กหม่ก็ติดอาหารกกใหม่ อ, <c oughs> อีกแน่เอากกไม่มีอะไรด้วยอำนาจดุลกุศลนักตนได้ชมลูกหลานจติพี่น้องด้เจอแต่เรามารวมกันโดยเฉพาะวันที่มนันพระได้มาทาทานได้มารับทินได้มานั่งสมาธิเจริญเมตตาภาวนาตามธรมร ม, าาามาคาสั่งของพระพุทธเจ้าเป็นบุญกุศลบุญกุศลจ น, นี้ คุณกุศลกงคุณพระพุณพะเจ้าคุณบารมคุณพระสงค์ลุงปู่ลุงป้าพระเจ้าประสงค์ได้ปฏิบัติมาแล้วก็จงมารวมกันจงปกป้องปกปักต์รกษาอกตนได้ชมลุกหลันงดั่งจิตใจนอกมีแต่ความสุขความเจริญสุกขายสุกใจหายจากทุกโศกโรคภัยการงานจึงใดกานเงินจึงใดโดยเฉพาะในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ภากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติแล้วจงได้ดวมจิตรวงใจได้เห็นสิ่งเน้นธรรมในพระจาตินี่เถิด อภโลกาเวเนโมตสตาปสันตาปวัจโตส โวอันโนปฏิป e ันโนสุข <st> ัสสนะเมิทัต well ิสุขังสุติการจะติอายุมรตวะภะรังวันนาสครันจะปฏิปาระโนมีกายโยยาสวามุตยะตายะปะพัสสิ ตสะปะมังกรังรักขันตสะปะเวตาสบพปานภาเวนสะลาโสติะวันตุเตภาวตุสะปะมังกรังรักขันตสะปะเวตาสะบาธมานุภาเวนสะลาโสติปวันตุเต Ah. Uh -huh.